ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้จับสลากแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้